ข้าวต้นรูปกระจารได้แข็งใช่ไหมเรียเสี่ยไข่ใหญ่กงมั้ยเอ้าต่อไปต้านใดเอาเลยเริ่มเลยนะตามนักต่างประเทศครับหลวงพ่อ ที่นี่ยาการอยูที่ใจนะมอที่ใดครับกมถานี่ก็ฝึกจิตใจไม่ฝึกที่ของไม่ฝึกที่อามิ์เอาเลยๆตรงนี้นะั๊ะองค์ก็เอาใจกันเป็นเรื่องการอ่านเจอกลังรุษมาพิจิตตภาวาตัวจิตตาติมเรื่อยวก็ไปต่อค่ะได้มาลไปคนใดี่มีเมตต พอใหญ่เลี oh <speaking> ้ยงแหกแก่ชรเป็นคนดีเมตตามาเดยตลอดใต่พมาวันที่สเมษานี้สามสตรงนี้แก่ชาเค ใจไม่ดีอ่ะต้องรบกวนหมอเจอเวลาที่ตั้งแต่ตปีสองัห้าร้อยยี่สิบห้ามาแล้วปวดทุกวันเนี่หมอก็จะเดวเวลาที่หมอเก้าคนรักษายเนหะ็นไหมเป็นสิบคนทั้งสุธิรักษ์มาจี้ไฟฟ้าให้หมอหลอ่ามาจี้ไฟฟ้าให้สีวันในสองหมืนะผู้ป่ว่ายหมอหมอคทับนะไม่ใช่ไม่ก็เขียนเช็คให้ไปเลย หมอต้องายไให้แต่คนใใช่เป็นธรรมเนียมโดยเราเร้งสิ้นนะฮอ้ดีดไดมันเอมจะ้องน่าดเาว่าไปเอาเอาอไปวีดีโอม่ด้แล้วเอายยไเลยมาวระตุกตรงว่า ใช่ใช่ไปแล้วเรื่องผูกคอตายนี่ยังไรความยกทรงหลาบหับไม่ต้องงนพ่อใจไม่ดีอะเงินผูกคนแล้วนะอะไรนะพ่อผูกคอตายนี่บางทีไม่รู้ว่าผูกคอตายนะมีหลายคนเมื่อฉันพบมันสมัยก่อนเอาอัลตร้าฮันดียวหะ หลายคนไม่พอเวลาเพราะว่ามีอะไรในลกชายไป้าลูกสวกาว เ, เพื่อนมาเพื่อนีไม่กินนะ่ะหนีสูขขงคนนึงแม่นะถ้าทีา่ออฟฟิศทำามจำไเลนี้ก็ไป็จริงจาตกลงกันจะไม่ได้วันนี้อยู่ที่ตำบลบางใหญ่เบอร์าบามบาม่าก็ม า, าทุกวันดนีก็เอาไได้การงนใช่ฮะ อาา๋อว <Ug> <g 're père toire> ่าสุข้องดิคน้นไทยก็มันมีตัวเะยรรวยๆนลยจ้าตอไปนั้นว่ากระให่แต่งตัวเสร็จขอไปหลังบ้านแกบอกว่าไปพบกะบวนแห่ขบวนแห่มันมีทุกินิดรางกระสุนไร้คืนเยอะเต็มไปหมดนับร้อยนักพันแกก็เลยเข้ากะบวนแห่ไบกัเขาด้วยกำลังลามสนุก แล้วว่าในเวลาเดียวกันพระธิวัตรังใหญ่ท่านไปถ่ายกรรมฐานฮะมีต่ว่ากำเริกรมฐานหัวลงเหัวลงลงสูงไปเขาไม่จะเลยที่ถ่ายกรรมฐานไปนังที่เนี่ยโอ้เดียวเดี๋ยวจะกาทำทบ้านแล้ ในภูมิบริบัลเพาะนังคุยกันแบบนี้ตอนนี้มันอากาศไม่นมานส่วนไม่วันต่อไมนี้ใช่หมตอนไม่น้นม่ใช่หรฟ้าคโลกมองข้างนอกสบายลเยมเย็นเวลาถ่ายจาระมาก็ <c oughs> <ổ. S 1> ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องร่างมีสุขาภิบาลหมู ตามันโปรงเขาก็มองเห็นว่ามีผู้หญิงสองคนคนหนึ่งขึ้นไปก่อนไปนั่งที่กบไม้ทา้วาวพุดีนะอีกคนหนึง่งคนทธีสองขึ้นไปถือเชือกจะไปด้วยขึ้นไปถึงปักก็เชือกผูกกับท่อดไม้ถึงไม้ใหญ่อีด้านหนึ่งก็ผูกกับคอหญิงคนทีมม่นั่งอยู่แล้วเท้าถีบยืนมือสองบาทขยม เรวดังก็เองอะวันวานกั A R, นสูายแล้วก็มาทำเรือเ่องเช็ตัวอ่าฮ่าฮ่าอ้ไม่แ้ว่าบิก็มากันวานผมต้งเช่วยตยบครับแก่พื้นทำ <c oughs> ได้ความถามาราทำไมบุพเพตายแกบอกแกไม่รู้สึกว่าแกบุคเพตายแกํำลังสนุกอยู่ตอนนี้ตะบนลำมันแห้งแล้ที่กำลัง เ, เป็นใ ก็แปลว่คนคนี้นมื่อก้ก็มีเมตตาแบบนี้ไอ้วามันเข้ามาถึงนีความจริงเขาไม่ได้ชนใครคนมีเมตตาอย่างนจะแบบแต่ ง, งัแต่จะแชืมบั้บแบเดียวกันจอย่า<บ>งนี้จะไปเผาผุพอตายตายโผไปตกโตกเลยไม่ได้แอย่างนี้จะว่าไปสวรรค์มากกว่าเพราะกำลังเมตตามีอยู่แล้วเห็นหมาทุกตัวเป็นเป็นมาง้าหมดไม่ใช่หมาเป็นางฟ้า เห็นหมาดูโตเลยใจเรียงจะมจิตเมตตารับในมันใจยังไงใชด่ดูอันนี้เป็นตัวคนเราฟ้าแล้วโอ้ยมันคงจะมีเมตตาให้หมา่ไหเครได้เปลียนเพี ย, ง, ยงฉันเนี่ยมีตั้งสามร้อยอ ก, กยว่าจะมิตหาครับไม่แค่หมาหรือมันหมาแท้ ยี่สองปีใช่กว่าเจ้พ่อมาใหญ่เยอหรอใช่ม่ายลูกลายปีอรเยนะ่ไงันอกตาใครก็พอแล้วเนี่ยเด็ดผู้นีปโอมาของลูกหลานเนี่ยหรอไม่่หมาเขามาฉันมาขันจะตังค์งเขาขช่วยกันมึงมังกูั่งนิดไหน่อยเป็นแสน่ะ ถ้ามาจดฉันไม่รู้กันต่อรักษาันีหมอรักษาหมาที่จังหวัดไทยไม่ต้องหวงต้องรักษามาวดาก้าวส่งทุกวันถ้ามันเป็นรอยแต่พอมาตีแสบไปคือใ้กว่าแต่ไ่น้าองไอะไรมด้ียนไมได้แม่งเปเรียนขาละขาไปแล้วก็ให้อะไรให้ไม่ตายให้กระดาษใครับขาบทุนไปเอา ได้เยๆขาดคุได้หมับ้ก็เป็นเงนมาติดว้าใช่มัยนธนา้าพี่เบรคคุณไม่ไปขาดคุณมนว่าีแม่นาคธนาได้เปกรรเรทั้งตัวไม่ใช่ฉันได้เปลียงคุณเดียวเนี่ที่นั่งเนีส่วนใหญ่อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดไม่ค่อยรู้หน่อยแม่ว่าเขตั้งเข้าไปพอไปนั่งเขาเน้นะ กระ ต, ตังนี่ครับปู่นนี่เรื่องหนึ่งเขาเลี้ยงหมาเขาเรื่องหนึ่งนะไม่ใช่รวมกันนะรวมไม่ได้ันะที่ว่าแยกประเภท เ, เ, ปเป็นประเภทเลยนะเฉพาะหมา ก, ก็หมาไปเลยคนห้ามกินเฉพาะพระก็พระคนห้ามขันไม่เคยมีอย่างงี้อี่ดาวเขาขอมาสร้างเสร็จมีมนุษย์พ่อทานจะฆ่าเจะรู้ีะฉันต่อ มาแล้วแล้วเด็กลตงเป เราจนเส้นสอดคล้องให้แข็งต่านตัวแข็งตานอินทรีย์ได้เาเรื่องวันนี้ขอขายของดีจะเสียก็ขายของชั่วสิเอาอย่างเดียวอย่างเดียวใครขออไก็ม่ต้องไม่ต้องเหมือนใจไม่ก็ยกซุงซายยกทุงฟ้ายกยิ้มยิ้มเลยไม่ยกใจยิ้มปาไม่ต้องอะรนะ ถ้าหมายที่ไปเข้าดงนอนโคนต้นไม้ใบไม้หล่นมามีกล้าจำพวกขึ้นมาท่ปสงนะคำถามว่าเห็นใบไม้เป็นอะไรเพราะใบไม้เป็นใบไม้ครับบอกนี่ชาตหน้าเกิดเป็นหมาที่เกิดไม่ได้แน่คนจะเป็นเทวดาเกิดหมาได้ไงอันหมานที่ศ์รรก ถามพ่าอะไรครับผมต้องดูไปที่บรรณายย่างโอ้ถามสงสารว่าทำไมไม่ถามมาที่พี่นะถามใบไม้เป็นอะไรนะตอเว่าเป็นใบไ ม, ไม้เป็นพระจาธรรมใช่ไหมใช่ๆก็เข้าใจท่านล้อเล่นแล้วก็ทราบยูย่โผข้นมาได้ยังไงครับใช่หมเป็นพระสงค์ทรงตัวผิวพันดีจะเลยอธิบายว่าต้องคิดนะว่าต้นไม้ที่แรกเนี่ยมันขึ้นจากลูกเม็ดมันนิดเดียวค่อยๆ ข, ขึ้นมาทีละ น, น, น้อยๆ น, นี่เป็นนิจัง ต่อมาก็มีกิ่งมีใกล้านมีสาขาทั้งหมดแปลนิจังหมดมันไม่เที่ยงแต่เที่ยงต้องทรงตัวได้ใช่ไหมต่อมาก็มีใบให้ใบได้เกิดที่แรกเราเป็นใบเล็กแปนิจังใบอ่อนต่อมาก็ที่เป็นใบอ่อนก็แปลนิจังมันไม่ได้รงตัวแล้วต่อมาไม่ช้า ก, ก็เริ่มปุ๊บเริ่มเก่าถ้าคนเราก็เกิดความทุกข์เพรามันเฉียวใช่ไหมพ อ, อหล่นมาก็แปลนะัตตาเราทีสภาพเช่นเดียวกันนึกขึ้นเรา ถราบอกดูทุกอย่างใา้มันเป็นนิบ like in like ัานายานแล้วคุยกัท่านคุยไปคุยมาถามที่วัดไหนครับมพงไม่ต้องรู้ว่าคุณอยู่ที่ไหนใทยหลักก็ท่านเดิมไทยแท้ถ้าไปไทยในที่ที่ที่เจ็ดที่จีนอนี่นะไทยเก่าก็ใช่กูใช่มือกูเป็นคนไทยก็สรู้แล้วว่า โดาบันเทรงทั้งหมดกรมเทวดาทั้งหมด่นช่วยครับต้องนึกถึงท่านทั้งหมดนะทุกวันนะคไงหเดียวเลยผเดียวไปไม่ไหวลูกไม่ขึ้นหตกเดิสามขาอยู่แล้วไเอสามขายังไม่ออยู่เลยจะงีอยู่แล้วเดี๋ยวก็เทั้งหมดแล้ีมากานัรอ นายเนี่ยแกล่ะไปส่งเนี่ยหายผมไม่ทราบค่ะว่ามีอาวอะไรอยู่ที่กองถ้าจะไปหาคนหลวงพ่อหงพ่อมันจะดีไหมดีดีก็ีต้งถูไวโอถไวนะไวไม่ช้าไวแดดไหนรักษาไวหรือว่าอะไรไปไวรู้ถ้าไปถึงเร็วโหไว เป็นว่าทางรักษาเจ้าพ่อวันเาวอาทิตย์ะจะไม่มีนะเพ่าะที่เก่งตัดได้ครับเป็นทุกอย่างเป็นแพทย์ปัจจุบันด้วยแสนโบราณด้วยหรืนั่งด้วยศาสนาด้วยรัษาใช้ศาสตร์ด้วยเร็จเก่งมากต่เ้าติดไวแล้วะอายุจะเด่าสยเพืออได้จะนั่งใครจะถามเกี่ยวกับโลกใ็โดนอกูทิงทั้งส่หอว่ามีปันาานก็ต้องไปที่ที่นั้นนะไปนานนะา ถ้ามันเป็นสองลูกก็เหม็นแค่รักกูเป็นลม ตอนนี้าีอายุสงน้อยอย่างกับอังกล拉เทพบุตรเกิดในสมัยที่ไม่มีพระพุทธศาสนาให้ทานสองหมืนปีตั้งโรงทานแปดสิบแห่งให้ขั้นวันและขันคืนแต่คนสมัยนั้นไร่สิ่งไ้ทำเกิดปเป็นเทวิดามีบุญน้อยมีสุดแต่จะมีวรรคกันไ ด, ด้ว่ดี จังหวะอินสกัดถวายภายในร ะ, ะสงค์ครั้งเดียวในชีวิตไม่เคยทําต่อไปเป็นเทวดาที่เมีอุปภาพมากที่สุดแต่สวนที่เราบุญมันต่างกันอย่างนี้ไม่แช่เราให้มากมีสงฆ์เม้าเสมอไปตกอไปแล้วเขตอย่างสระฐานทีให้ทางพระเจ้าเองลอยข้างยังมีผลไม่เท่าถวายสระฐานหนึ่งครั้งแค่ถาวายสระฐานลอยข้างมีผลไม่เท่าถวายทีหย่หายกรนหนึ่งครั้งคือสร้าง อยคนที่นั่งนี่ทั้งหมดมีครบหมดที่หาอะไทานก็มีสังฆทาก็มีธรรมทานก็มีพุทธทานก็มีสังฆทานก็มียกทรงทานก็มีไม่มีใไรกินอะไรโอ้ยอย่างนี้แสดงว่าลูกตาที่จำเป็นประการแข้งขี้เกียจนะแขงขี้เกียจขี้เกียจตาไมช่วยคาดนา ไปเลยไปเลยโอ้ยจแ่ีเราไม่มีทางไา้ ไปด้วยเขามีตังใบหาินเองผอไม่ตาไม่ตานี้ใช่ใช่ใช่ประการที่สามลุงผ้าไปด้วยประการที่สี่มีเสื้อมันมีเสื้อมีผ้าก็งได้ไปด้วยปรการที่ห้ามีค่ารถไปประการทหมีค่ารถกลับปรานี้หาค่าอยู่วัาหนักคระการที่เจ็ดอยู่ได้ไม่เกิเจ็ดวัน ขอมีราชาเด็ดวันใช่ใช่แต่เขาไปแค่สามวันเขาไม่ทั้งวันที่วันได้แต่ผมว่าแต่เราเดือดร้อนไม่ได้เด้อเขาไ่ครบแล้วสี่วันไม่ได้จะมันเอออยากครบแล้วผมที่เข้าที่ไหนทางเังแจกกระตูน้ำผมว่าวันเรกเยา สีวันสีว <laughs> ันเะครบโอ้เาเตาตุนมอ้เจตุนก็ดีไปเคยล้อแกนะครับโยกย่งเจ๊ตุนนะล้อเจ๊ตุนก็ดีโอ้ข้อทีสีโอก็พาะนั้นว่าข้อท่่าเตาตุนมใชไห จงเกินไปเพียไปนาะเ่อความจริงแลวันแรกคนนี้ได้ตอนนี้ในิจิานิวรนตัวที่5เนี่ยป้าปการฝึกวิชาสักติญาณี่ยเริ่มการีวัตัวที่5าสงสัยตัวเองถ้าไม่สงสัยก็เริ่มได้แต่วันแรกสงสัยมันก็ตัดกับตัดตอวันที่4ก็ตัดาัดตัดดตัดตัดยัดตัั มนใหม่ไม่ใช่ยะบอกว่าคนันหน้าเก่าหน้าตาจิตใหม่ยอดมโนยิทิใช่ไหมผมไม่บอกเขาไม่ใช่อะไรนะเขาบอกเขาว่าอะไรหน้าเก่าแต่วิ ทุกต้องการมีสุขคือต้องการรับบุญเหมือนกันหมดไม่เปม็นไม่ไปถัน มีเ oh. wow. wow. ีขนาดว่าจะจไม่ได้ลกรอบนี้จไม่ได้บทนี้เป็นบทที่่วความจกนะครับท่านบอกว่าช่วยความจแต่ความจริงไม่ใช่ท่านทำแล้วสิ่งที่ไม่รู้มารูกคุณมาที่รู้ได้จากการเทศเวลาเทศเราต้องรูดล้มลาไปใช่มต้องสิ่งที่เราเรียนเรยนัง ที่เขาถามมาถึงที่ไม่เคยเรียนเลยแปลว่าตกได้ขาตอบไปแล้วก็คือดตัวเสียงเทหมือนเลขคนาดูเขาจะตกตรงทุกทีที่นม่ผู้อาวโสนี่ก็ใช้ในหลายอย่างนะเขาไปดูหัวได้ได้เลยไหมจ๊ะใช่ไหมจ๊ะ